เราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาวันนี้ผานไม่ได้ก็เพราะว่าความรักความห่ว ง, ขอของความกังวนเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็พ่อกแม่เรายังใจเรายังเป็นยังเป็นห่วงมันเป็นโลกควาเป็นห่วงมันเป็นโลกเราไม่ตัดใจพ่อแม่เราก็ทําท่านดีที่สุดอ่ะแต่เราก็ไม่เอาใจไปห่วงมันนักไต่เขาเราเคยดูหนังแม่คนักไต่เขาก็จะมีโดสลิง ยิงขึ้นไปแล้วไปไปไปไปติดที่หน้าผาแเรวก็จะไต่ตัวเขาเองขึ้นไปใช่ไหมแต่นักไต่เขาเนี่ยลองคิดตัวนี้ถ้าตัวเขาเองเราพังตัวเองขึ้นมันจะอันตรายเลยนี่เขาจะแบกตัวเองไปอีกหนึ่งตัวเอาพ่อกับแม่เสด็จกล้าไปอีกเอาคนนั้นคนนี้ใส่ขึ้นไปอีกแล้วก็จะขึ้นได้ไหมมันก็รูอยู่แล้วว่ขึ้นยากแล้เนี้ยต้องตัดใจสังขารร่างกายเป็นสิ่งของสมมุติ เป็นของปุงแต่งมันจะต้องแตกดับไม่หวงใหญ่มันเลยเจ็บแค่ได้ปวยก็รักษาไปตามอาการคือรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่เขจะให้เราเนี่ยทําประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านเกิดกูลโลกมีชีวิตอยู่แล้วก็มีไปเขาจะเอาไปก็เอาไปไม่หวงใหญ่มันนะเอาแต่ใจที่พ้นทุกอย่างเดียวใจที่ไม่ พด้วงหมดกังวลแต่ก่อนยึดมันถือมั่นอย่างเดียวไม่หวงใหญ่อะไรพ่อแม่ก็สอนท่านบอกท่านแนะนําท่านช่วยหลือเกื้อกูท่านทุกอย่างแต่ไม่เอาใจก็ไปหุบหูเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราจะมีบุญบา ร, รมีกันระดไหนช่วยดีสุดขนาดไหนแต่พ่อกับแม่ก็มีกรรมเป็นของของตนแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยใ้ทุกค น, นระดับบารมีระดับพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมพุทธเจ้าก็ต้องยอมแพ้กรรม ท่านเนี่ยทำความดีจักดกับแผ้วที่สูร้อจ้ ก, กรรมในเวรมันก็เปิดได้แค่บางส่วนแต่กรรมหนักก็เปิดไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถลดพ้นจากกรรมหนักได้พถึงเวลากรรมหนักให้ผลก็ทุกคนก็ต้องเป็นไปมันกรรมหนักที่ทำมาทุกคนต้องได้รับหมดก็อยอมรับในผลของกรรมไม่มีใครช่วยได้ที่มีตุเลปตักคราชองที่แล้วเนี่ยที่ท่านว่า มีหลวงปูองค์หนึ่งที่ท่านนับถือเป็นพระอรหานต์ท่านยอมรับไป็พระเยทรงแต่ท่านจะพูดเสมอว่าท่านจะต้องตายเพราะรถวันในชาตก่อนนั้นท่านเคยขับเกวียนแล้วก็แล้วก็ทับคนตายกรรมวันั้นต้องตอบสนองท่านในชาตินี้แม้ท่านจะพ้นทุกข์แล้วแต่ท่านจะต้องตายเพราะรถแล้วก็พูดท่นอยู่ประจําแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมารับท่านออกไปพระในวัดก็บอกว่าท่าน ท่านมีนัดมีนัดไปแล้วจะออไปไหนแต่ก็บอกเหรอเออเวลานัดมันมาถึงเวลาเร็วจริงๆมาถึงแล้วเหรอออืแล้วท่านก็ออกไปเอ๊ะทำไมท่านก็พูดวันี้ว่าเอ้ทําไมท่านพูดอะไรกับท่านบอกว่าเวลานัดมันมาถึงแล้วคือท่านจะต้องออกไปตายเพราะรถแต่ก็รู้แล้วท่านก็ไม่สนต่อทานะก็ออกไปกับเขา รถก็ไปความถ้าตายองค์เดียวคนในรถเป็นใครเป็นอะไรเลยทุกคนมีกรรมเป็นกองของตนพอเราจะไปผูกไปห่วงไปใหญจริงๆอะไปแบกไว้จริงๆในใจอ่ะไปไม่ได้ก็ทุกไม่ได้เราควรจะทุกข์ยากลำบากในใจด้วยแล้ววเราก็ห่วงใหญ่ตัวเราเองด้วยอันเนี้ยไม่ห่วงใยทั้งตัวเราเองไม่ห่วงใยตั้งคนอื่นแต่ก็ทําความดีที่ตุดช่วยเหลือที่ตุดสุดความสามารถแต่ก็ต้องยอมรับอุเบกขาคือ คนมีกรรมเป็นของของตนตัวเราก็มีกรรมเป็นของของตนเราก็ช่วยตัวเราเองที่สุดอธิษฐานให้าทาทนพาขันธุันธ์อนาจิตบี่ยพลังธรรมชาติเบสุยงเอธิทนเจ้าขันธุขศรัทพลังงานความบ้าง้กลับคืนสูขข่ความเป็นปก ти, ติตามชาติเป็นปกติธรรมชาติตนดูธรรมชาติยอัโนมัติตลอดเวลาตแต่ลตไปด้วยเติตัวนี้มันจะสิ้นไปก็สิ้นไปไเราอธิษฐานก็เพื่อว่าให้มันผ่านตนในพ้นทุก ข, ขก์แล้วก็มีชีวิตชุ่ยเหล้อเพื่อคุยไปไม่ใช่ เอถึงเวลาจะสิ้นอายุขยัยเวลากรรมบาปกรรมหนักมาตะรอเก็ต้องสิ้นไปในการเราไม่ใช่ว่าทิฏฐานเราว่าเราจะเป็นอมตะไม่ตายไม่ใช่เราสิ้นอายุขัยก็ต้องตายแต่เขาเราจะเขาจะให้เราเนี่ยทําคุณประโยชน์แก่โลกต่อไปก็เราก็ยังอยู่แต่ถึงเวลาถ้าเขาจะมา เ, าเราไปเราก็ต้องเราก็ต้องไปเราต้องยอมรับในผลของกรรมใจเขาหมดกงังวลเวลาก็เปลี่ยนไปแต่ใจเท่นั้นเนี่ยไปเป็นทุกข์กับอะไรไม่ยึดกับอะไร ใจก็ว่างป่าวางหมดทั้งสิ้นวางตัวเองวางใจของตัวเองวางทั้งหมดและจิตใจขคนตัวเองก็ต้องวางวางหมดเลยไม่ห่วงใยจิตใจของตัวเองมันจะทุกข์มันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเรื่องของใจไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะมุติเจ้าตรัสว่ากายเป็นทุกข์จิตจิตใจเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กระสับร่างกายจิตใจมันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกขัง มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราอย่าไปยึดมันปล่อยมันไปถ้ายึดมันถามันมันจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปมันก็เป็นไปของมันแต่ใจเราเท่านั้นแหละไม่มีใจไปยึดอะไรไม่ไปยึดไม่แต่ใจจิตใจของเจ้าของไม่ยึดแม้แต่ร่างกายของเจ้าของจิตใจมันจะดีก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นจิตใจไม่ดีก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่ห่วงใยไม่กังวลอย่าเข้าไปช่วยมัน เราก็ไปช่วยมันเท่าก re ับระวงใหญ่มันเรารักมันมันเป็นอย่างนี้เราอยากมันเป็นอย่างงั้นจิตมันเป็นอย่างนี้เราอยากมันเป็นอย่างงั้นจิตเป็นงั้นเราอยากมันเป็นอย่างนี้เราก็เรารักมันรวงใหญ่มันอันนี้ยเรายึดแต่ท่านเป็นอย่างไงเราปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นจิตใจมันไม่ดีก็ซัวไม่ดีดีก็ดีแต่เราไม่มีเราไปยึดนอกจากว่าเราหลงไปยึดเนี่ยเราต้องรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเราไม่หลงเข้าไปยึดอะไรเนี่ยเราไมนจะเป็นต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะเราไม่ยึดอยู่แล้ว ต่นถ้าเราไม่ยึดแล้วไม่เข้าไปยึดอะไรสิ่งนั้นจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปตามอย่างที่มันเป็นดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ใจดีอย่างเดียวก็ดีไม่ได้เป็นในจังไม่เที่ยงแล้วเขาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาไม่มีตัวไม่มีตนไปจับยึดเขาไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างเลย แม้แต่จิตใจของเจ้าของก็ต้องไปวางเริงก็พยายามวางอยู่นะคะดางตาก็อมองแลบบ้วเหมือนกับเวลาเห็นเห็นมีความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ออกตัวเข้าไปแบบมันยังมีโอกาสที่แบบเหมือนมองความทุกข์เหมือนมองความเสียใจความถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ยังแบบว่ายังเป็นฝ่ายอยู่ว่าตัวเองอยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราไม่เราไม่มีตัวไม่มีตน ไม่ตัวตนเราไม่มีเรามีแต่ความว่างเรามีแต่แค่รู้ไม่มีความรู้สึกอะไรสิ่งที่รู้สึกทั้งหมดไม่ว่าสุขทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่นิดนึงงที่ว่าจริงๆเหมือนเราเข้าใจขนาดนี้จริงๆแล้วค่ะเป็นผู้รู้ผูู้ตื่นผู้เบิกบานมันน่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าเลยนยคะ่ะ ใช่เราไปเอาแต่กิริยาการที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้กหมายถึงว่ามันไม่หลงแล้วมันถึงมันรู้ลแล้วว่ามันมันหลงไม่หลงนะคืออันนี้ของเราเนี่ยมันหลงเข้าไปยึดตัวเองอยากให้ตัวเองดีเข้าไปยึ ด, ดจิตใจให้อยากให้จิตใจมันดียึดตัวเองอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองบรรลุนิพพานแล้วไปยึดตั้งพ่อทั้งแม่รวมยายพ่อแม่อีก อันนี้ยเขาเรียกว่าหลงเขาเรียกว่าไม่รู้เป็นผู้รู้ก็คือเป็นผู้ไม่หลงไม่ใช่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุบาลไปทํากิยาการของจิตให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้อบบาลดีใจดีดาดีดาดีดาไม่ใช่หมายถึงว่าใจมันไม่เข้าไปยึดนี่เราเขาไปยึดยึดทั้งตัวเราเองยึดทั้งจิตใจคอช่วยเหลือตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือจิตใจตัวเองตลอดเวลาต้องการให้มันมันดีไม่ต้องการให้มันไม่ดีแล้วต้องการให้ให้มันค้นทุกขแล้วก็ไปยึดพอยึดแม่เป็นห่วงใย อันเนี้ยมันหลงอยู่ความหลงอยู่เนี่ยมันจึงไม่เป็นผู้รู้ถ้าไม่เป็นผู้รู้มันก็จะไม่เป็นผู้ตื่นคือมันจะเป็นผู้หลงอยู่เป็นผู้หลับไหลอยู่ผู้ตื่นก็คือผู้ยังหลงหลับไหลก็คือหลงยังเป็นผู้อยู่ติดยังจมอยู่ในความหลงแล้วไม่รู้ตัวเอแล้วก็ยังถ้ามันจมอยู่ในนั้นอ่ะมันก็จะไม่มีโอกาสเบิกบานได้รักเพราะว่ามันถูกบางอย่างอะที่เราไปยึดไว้นั่นแหละมันห่อหุ้มเราไว้จิตใจเราไว้ทําให้เราเนี่ยเบิกบานไม่ออกมันจึงไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้ผู้ตืน่นเบาบางก็คือจิตเดิมแท้หรือใจดดิงเดิมใจ แ, แท้หรือธาตุรู้หรืออมตะธาตุอมตะธรรมหรืออาสังฆาตธาตุแท้แน่ๆคือจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมันเป็นในตัวของมันเองมันเป็นธรรมในตัวของมันเองคือผู้ที่สิ้นยึดสิ้นทุกขเป็นความสุขที่ไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไปเสพอารมณ์หรือหรือไปยึดอะไรไว้แต่เป็นความสุขที่สิ้นยึด อะไรให้เป็นทุกข์เขาจึงเรียกว่านิพพ า, า, านังปรามังสุขยังนิพพานเป็นใจที่ว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เป็นทุกข์นิพพานังปรามังสุ ข, ขังมันเลยเป็นสุขอย่างยิ่งสุขเพราะว่าสิ้นยึดสิ้นความยึดให้เป็นทุกข์มันเลยเป็นสุขสุขเพราะหมดทุกขเ์เพราะนทุกข์ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีตัวเราไปรู้อะไร ทิ้ง hmm. มันท so ิ้งความรู้ความเห็นก็เข้าใจทิ้งสภาวะที่ที่รู้ที่เห็นที่ได้ที่เป็นนั้งหมดนั่ทิ้งไปให้หมดเลยทิ้งตอนนี้เลยทิ้งไปให้หมดไม่มีใครไปได้อะไรไม่มีใครไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราไปเป็นผู้รู้เห็นอะไรเพราะตัวเราไม่มีไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะที่เป็นอยู่มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นไปอย่างนั้นไะ เลยธรรมชาติไปไม่มีตัวเราเองไม่มีตัวตนของเราไม่ไมีผู้ ไ, ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะอีกไม่มีผู้ไปสังเกตสกภาวะมีแต่สภาวะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดที่เป็นไปแต่ไม่มีผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะอีกไม่มีผู้ไปจั ง, งการกระจใจสภาวะแดงทั้งหมด เพราะว่าเราจะมีผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะธต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นมีตัวเราผู้ไปทำความเข้าใจไปกัดติดกับสภาวะกับทุกขกิยาการที่เราได้เราได้เ ร, ไดเรารู้เราเห็นเราเป็นมีตัวเราก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปคอยดูไปคอยรู้ไปเห็นไปคอยสังเกตเอาไว้ปล่อยไปเลย พบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้ผู้รู้ตัวนี้เนี่ยที่เรายังเป็นอยู่ยังมีอยู่ยังฆ่าอยู่เราพูดดูตโลว่าพบผู้รู้ตัวนี้เนี่ยไอ้ฆ่าผู้รู้นี่นะเราพูดล่าเกมากปะโต ว, ว่าผู้รู้ไม่ใช่พัธิพานอย่าไปยึดผู้รู้ไว้ไปว่าผู้รู้ไปหมดสิน้น อนิพพานาพเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายหรวงตามมหาบวชเอกล่าวว่าถ้ายังมีผู้รู้อยู่มีต่อมหรือจุดผู้รู้อยู่ยังมีผู้รู้คาอยู่มีตัวเราไปค่อยดูไปค่อยรู้ไปค่อยสังเกตเป็นผู้ทําความเข้าใจเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราตัวเราก็ไปดูไปรู้ไปทําความเข้าใจเนี่ยมันสเสวยสิ่งที่เราเนี่ย ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วเป็นเศษจะเป็นของของเราโดยไม่รู้ตัวไปเอามาันมาเป็นของเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้เป็ น, ดดร เ, น, เ, ปนเรารู้แ Trans จ้งมากเลยเราทําได้เราเป็นแล้วเรามาีสภาวะอย่างนั้นเรามีสภาวะอย่างนี้เราเอามันมาเป็นของเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับเราเอามากินจนเราท้องกลางเราก็เลยไม่รู้ตัวอีกแล้วกินจนท้องป่องท้องกลางแล้วเราก็ยังกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีก เราก็ยังดูยังรู้ยังเห็นยังทำํำยังได้ยังเป็นถ้าว่าใจเราก็ไปตัวมันมาทั้งหมดป เ, เป็นของเราเป็นของเราของเราที่เราทําได้เราทําได้เรารู้เราเห็นเราเป็นวนเป็นตังขนาดนี้เลยมันเป็นตั้งขนาดนั้นเป็นตังขนาดนี้เรากินมันจะท้องกลางเลยเนี่ยกินอีกกินอีกจนเราไม่หยุดกินตราบได้ที่เรายังไม่หยุดกินเราก็จะไม่พ้นจากทุกข์หยุดกินหยุดกินมันเข้าไป จะหยุดกินได้ต้องหยุดดูหยุดรู้หยุดเห็นอยู่สังเกตแต่ยังดูยังรู้ยังเห็นมันยังเข้าใจว่ายังเห็นมันตลอดเวลาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไปไรแล้วเราก็จะไปเสพมันเอามันเข้ามากินเลยเราไม่รู้ตัวเอามันเข้ามาเป็นของของเราอู้เรายังรู้ยังเห็นยิ่งได้ยิ่งเป็นเรายิ่งเข้าใจโอ้โหเราเป็นอย่างนี้เราเหรอเราเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอเราเป็นถึงขนาดนั้นได้เหรอเราเป็นถึงขนาดนี้เหรอโอ้ยังกินอยู่อย่างนี้มันก็ยังทุกข์อยู่ขนาดนีมันยังไม่มันยังไม่อิ่มนังจะบอกว่าอิ่มแล้วได้ยังไงก็เท่า ทั้งทงด้านดีหรือด้านไม่ดีเป็นทั้งกิเลสกิเลสที่ละเอียดถ้าเรายังมีตัวเราที่ยังมีการกระทำอยู่ก็แปงว่าเราเรายังมีตัวเราเป็นผู้เสเวยแต่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นจริงๆคือเป็นทั้งสิ่งที่อะไรจะดีเกิดก็เกิดไปอะไรจะชั่วก็ชั่วไปเราไม่มีการเข้าไปเสเวยในตัวนี้ปล่อยให้เขาเป็นเกิดดับเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขา โดยที่เราเห็นอย่างนั้นก็คือเห็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เอาตัวเราเข้าไปร่วมใช่ไหมคะหลวงตาเนี่ยมันมันกลระฆันตอนกันถ <c oughs> ้ากลระฆังตอนกันถ้าเราไปรวบอย่างนี้หมด <c oughs> เดี๋ยวคนไปฟังจะเข้าใจผิดคือว่า <c oughs> คือเราต้องไอไอสิอ่งที่มันเป็นเราหลงไปกับความไม่ดีเนี่ยสิ <c oughs> ่งที่เป็นความชั่วหรือความไม่ดีหลงไปกับกิบกเลสมันมันหมดไปจากใจเราไม่มีแลที่สุดเราก็อฏิบัติไปจะรู้จนเห็น จนได้จนเป็นจนเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหมดที่ที่ไม่หลงไปเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดว่ามันมีเป็นรถแเป็นความปุงแต่งเป็นตัวสมมติเป็นสังการปรุงแต่งไม่มีอะไรเลยมีแต่สังการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไป็นทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของเป็นตัวตนของเราแล้วก็เห็นเป็นอย่างเนี้ยแต่เรายิ่งดูยิ่งเห็นเราก็ยิ่งเข้าใจความเป็นนิจังทุกขังอนัตตา เรายิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นนิ่งใจยิ่งเข้าใจสภาวธรรมต่างๆทั้งรางกายจิตใจทั้งสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็ยิ่งมีความอัศจรรย์ใจยิ่งมีสภาวะธรรมที่แปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจแตกฉานออกไปทั้งทั้งแคบทั้งกว้างทั้งไกลลุกออกไปข้างนอกจนไม่มีที่สุดเลยมาลุกข้นไปหาตัวเราก็ไปข้างในจนไม่มีไม่มีที่สุดเมมีมาลุกแจ้งโลกแจ้งธรรม รู้แจ้งทั้งตัวเรารู้แจ้งทั้งจักรวาลเลยรู้แจ้งทั้งภายนอกรู้ไปหมดอะรู้เราแล้รู้คนอื่นรู้เทพธิดาิน้พรมยมยะนาคขุนบรรลุกคนทันรู้สัตว์เดรัจฉานทัางหลายเรารู้ไปไม่มีจบสิ้นเรายิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งสังเกตยิ่งดูเราจะรู้ทั้งตัวเรารู้ทั้งพวกอื่นรู้รู้รู้รู้จนที่สุดอะจะเลยความรู้ของพระอรหันต์ไปเป็นจะไปเป็นพุทธเจ้าแหละไป็นความรู้ของพระเจ้าคือรู้ใวไม้ในป่าใหญ่จนจะเป็นใบไม้ในป่าใหญ่แล้วจะไปเป็นความรู้พุทธเจ้าแล้ว พุทธเจ้าแค่สอนให้ผ้าหลานทั้งหลายรู้แค่ใบไม้ใบเดียวคือความปล่อยวางเป็นที่สุดก็ไม่ถุกถ้าเราจะเอาความรู้เราไปอีกรู้ไปอีกรู้ไปอีกรู้ไปอี ก, อ ก, อกว่าเรายังไม่ยอมที่สุดของความรู้เราจะกลายไปเป็นพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ยเราจะไปเป็นใบไม้ในป่าใหญ่เราจะไม่เป็นใบไม้ในมือเดียวกว่าพุทธองค์ว่าแค่ปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เอาแล้วพอแล้วอันนั้นเราจะไปเป็นพุทธเจ้าแล้วพอจะรู้จับพอ ใบไม้ใบเดียวที่เรารู้เห็นแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะไปรู้เห็นอะไรมากกว่านี้แล้วเราก็พอในใบไม้มือได้ใบไมใบเดียวในมือขององค์คือใบป่าดูลายที่พุทธเจ้ายกมาถามพระสาวกทั้งหลายว่าใบไม้ใบป่าดูลายในมือเราเนี่ยในมือตถาคตเนี่ยหนึ่งใบกับในป่าใหญ่เนี่ยใครมากกว่ากันพระสาวกบอกวใบไม้ในป่าใหญ่เนียก็ย่อมมากใบไม้ในมือพุทธเจ้าใบเดียวคือนั่นแหละวางหมดไปวางจาม พอแล้ว <พอ S 1> ก็จบลงนะความรู้ทั้งหมดพอแล้วจบบาปกรรมชั่วหลงไปในอกุศลกรรมบาปกรรมอะไรทั้งหลายไม่เป็นไม่เป็นอยู่แล้วในใจในขณะปัจจุบันนี้ไม่มีกิเลสที่หลงไปในอะไรในปัจจุบันนี้จิต ท, ที่เปลี่ยนปฏิบัติมาก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจอยู่ต้องดูต้องรู้ต้องเห็นแล้วพอใจอยู่ เด๋ว้แทวางหมดแล้วยังเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เอาถือใหม้ไว้คือหม้เออคิดพูดไปยังไงฮะเมื่อกี้บอกว่าวางหมดเหลือแต่เอาถอยวางหมดแล้วไปเหลือแต่นิพภามแล้วนะพลาพแล้วเหมือนวางไม่ไปหมดแล้วนะแล้วมันหยิบมันกลับขึ้นมาอีกเมื่อกี้จะพูดว่าเหลือแต่อะไรเอาเหลือแต่วางหมดแล้วเหลือแต่ไม่หยุดอันนั้นก็วางไปด้วยความว่างที่เราไม่ยินอะไร ก็วางอันนั้นไปด้วยคือเราไม่ยึดแล้ววางความที่เราไม่ยึดแล้วไปด้วยแต่กิจที่ควรทําก็ทําไม่ใช่ว่าเราวางหมดแล้วไม่ทํากิจที่ควรทําไหว้พระสวดนสมนต์เอาสมาธิเดินจงกรมสั่งสอนทำใจเราก็พิจารณาทำไม่รู้แตกฉานอะไรไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เหมือนเดิมนะคือมันไม่ไปเอา ไปเอาอะไรมันไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นมันแตกต่างกันหลังจากวางหมดแล้วกับภายหลังจากวางหมดแล้วมันทำเหมือนกันคล้ายๆเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ตอนยังวางไม่หมดกับวางหมดแล้วการพฤติกรรมการกระทำเหมือนกนารไหว้พระสวดมนต์พิจารณาธรรมรู้เห็นภายในภายนอกกว้างๆแต่ตอนที่เรายอมไม่หมด เราทั้งรู้ทั้งเห็นไปพูดทั้งสเสวยทั้งเสพทักเอามาเป็นเจ้าของทั้งกินมันเข้าไปในทอ้จนทอจุดท้องกลางไม่รู้จักจบสิ้นโดยไม่รู้ตัวคุณตาคำจริงๆแล้วจริงๆเราไม่ทราบเลยแต่ว่าเคยเอา น, นี่งานเดียกคําชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ทราบเลยทาอย่างนี้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอภิชาเรามีตัวตนอยู่เรายังไม่รู้ที่เราเอามีตัวเราทั้งทั้งรู้ทั้งเห็นเอาเข้าไปเสวยทั้งเสพโดยโดยที่เราไม่มีเจตนาแต่เรามีความสนุกกับการได้รู้ได้เห็น มันแจ้งกันไปสภาวะว่าภาวะว่าอัศจรรย์เรายิ่งมันยิ่งยิ่งมันยิ่งมันยิ่งมันมากเลยเออหยิ่งรู้ยิ่งเห็นแตกไปไม้ในป่ายิ่งมันยิ่งแตกฉันออกไปไม่มีที่ติ้นสุดยิ่งมันยิ่งมันยิ่งมันอันนั้นแนี่เราก็ไอความมันของเราเนี่ยเนี่ยก็กินเรากินไปด้วยรู้ไปด้วยกินไปด้วยกินไปด้วยแล้วเราก็ยังไม่ไม่หยุดกินแล้วเราก็บอกว่าเราอิ่มแล้วแต่หลังเราอิ่มแล้วเราก็พิจารณาได้มันคนละอย่างกันหลังจากกิ่มแน้วางแล้วพอแล้ว กับการที่เราพิจารณาทมเห็นตามรู้ท ำ, ทำต้องภายในภายนอกรู้แจ้งมีความละเอียดแต่อันนั้นไม่มีไม่มีตัวเราเข้า ม, มีส่วนได้เสียหนูเข้าใจที่หลวงตาสอนแต่หนูไม่รู้ว่าใช่หนูอะเป็นอย่างที่หลวงตาสอนหรืหนูให้ทำเพียงนี่ไงตรงนี้ไงตรงตรงเนี้ตรงนี้ที่พลาดอ่ะตรงที่พลาดว่า อ, อยังไม่เห็นเ อ, เอาเอาตัวเราไปเทียบเอาไปเทียบแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่ของหลวงตาเป็นเลยเรายังมีตัวเรา ตัวเราไอ้ตัวเราังไม่เป็นเลยตัวไรไม่เป็นตัวไรไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเหมือนที่หลวงตาพูดเลยตัวเราไม่เป็นอันนี้มันยังพลาดไปคือมีตัวเรามีตัวเราจะเป็นอภิชาอยู่เราไม่มีตัวเราจะเป็นอะไรหรอกแลที่สุดเราก็ต้องไม่มีตัวเราเป็นอะไรเลยไม่เป็นตัวดาไม่เป็นจกิตตาก้าไม่เป็นอนาค้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่มีตัวเราเป็นอะไรคือตาหลังเหมือนกับ ก็ไม่หยุดไงมันเข้าใจว่าไม่หยุดไม่หยุดเปรียบเทียบมันมีสอฝั่งไม่หยุดเปรียบเทียบอมล้วหยุดเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้องค์นั้นองค์นี้ไม่หยุดเปรียบเทียบใช่ไม่หยุดเปรียบเทียบตลอดวะไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่เรียนรู้แล้วก็ตัวไปเปรียบเทียบเรียนรู้แล้วก็ตัวไปวัดเรียนรู้ก็ตัวไปเปรียบเทียบองค์นั้นองค์นี้ท่านนั้นท่านนี้อุ้ยเองมันมีตัวมีตัวเรา มันมีตัวเช็คลิสต์อยู่ตลอดมันมันเหมือนตัวเอ๊เออมันมันมันตัวเช็คลิสต์ตลอดเลยเอมันมีตัวเช็คลิสต์เราถึงไหนล้วถึงไหนเราเราเราเราเรามันมียังมีมันตัวเช็คตัวเช็คมันตัวเช็คบาลานเช็คลิสต์ดร็ิว่าติดตลอดเลยไงถาอ้าวถ้ารู้ตัวว่าถ้ารู้ตัวว่าเราแบบนี้เราไปเรารู้ตัวว่าเราไปเช็คอย่างเช็คลิสต์อยู่เช็คลิสต์ย่งนเขาก็ไม่เรียกวาอวิชชาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเรียกาอวิชชาถึงมาหาถึงเนี่ย หยุดเอาตัวเราไปเปรียบเทียบอะไรทั้งหมดแบ่งเป็นฝั่งแล้วเรานิ่มดูเฉยๆก็เป็นโม้กันแล้วแต่เรายังแบ่งเป็นสองฝั่งนะเราจะเป็นเราจะเป็นฝั่งที่วีสังขารแล้วเราก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นวีสังขารเรายังแบ่งแยกเป็นสองฝั่งอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเราปล่อยวางไปทั้งสองฝั่งมันก็ไม่มีฝั่งไหนเลยมันมีในพระคัมภีร์เลยตรงเนี้ที่เทียบสภาวะ คือเอพระโสดาบันกับพระหลานต่างกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พระพระอนาคามีพระอนาคามีพระอนาคามีกับพระพระหลานต่างกันตามตนในพระคัมภีร์มีอยู่สองอย่างสองกรณีเช่นยกตัวอย่างไว้อย่างเช่นไม่ถูกกันมานานเป็นสิบปีแล้วสองพระสององค์ไม่ถูกกันานานเ ป, ป็สสกกนสิบ ป, ปี ไม่เจอกันเลยสิบปีไม่ถูกกันมาตั้งสิบปีที่แล้วเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอกันเลยจนทั้งได้รับนิมนต์ไปงานแล้วไปเจอกันในงานความที่ไม่ถูกกันมาเมื่อสิบปีที่แล้วก็เจอกันก็ทักทายกันตามปกติแต่ในใจยังรู้สึกว่ายังมีเคอะเขินอนาคามมียังมีเคอะเขินแต่พรนะรหันต์น่ะไม่มีแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพระ อนาคาเมีะยังรู้สึกว่าเปรียบเทียบว่าเรายังต่ํากว่าท่านนี้สภาวะธรรมเรายังต่ำกว่าท่านนี้สภาวะธรรมเราสูงกว่าท่านนี้โอ้ตอนนี้เราเราเท่ากับท่านนี้แล้่เสมอกันโอ้ตอนนี้ขึ้นไปอีกโอ้ตอนนี้เรื่อยๆโอ้ตอนนี้เราเราเราเคลื่อนมาเหมือนท่านนี้แล้วเอ๊แต่เรายังไม่ถึงท่านนี้ เออเราเอ้ยแต่อรายังต่ำกว่าท่านนี้อยู่แต่ตอนนี้เราเราสูงกว่ท่านนี้แหละวัอนเลื่อนเราเลื่อนขึ้นมาอีกเรายิ่งปฏิบัติยิ่งฟังยิ่งไรโอ้ตอนนี้เราเราเลื่อนขึ้นมาสูงก็สูงกว่ท่านนี้อย่างที่เราเคยอุ้ยตอนนี้เราฟังท่านนี้ถามต่อบถามต่อถามต่ออุ้ยตอนนี้เราเคยผ่านอวบแล้วเราสูงกว่ท่านนี้ว่าเราเราฟังอีกฟังอีกอุ้ยเรายังไม่เท่าท่านนี้เลยตอนนี้โอ้โหทำไมขนาดนี้เลยเรายังไม่เท่าท่านเลยเรื่ออนาคามีอย่งเปรียบเทียบอย่างนี้ตลอดเวลาในการฟังไปยังกำปุงแต่งเปรียบเทียตลลอดววาในภ ละหันไม่มีแล้วสิ้นความเปรียบเทียบสูงต่ำืูเสมอกันสิ้นไปแล้วไม่มีปล่อยวางหมดจะสูงจะต่ำเสมอไม่มีแล้วงั้นไม่เอาทั้งนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเมื่อมีตัวเราก็ไม่มีตัวเราเนี่ยสูงกว่าใครไม่มีตัวเราต่ำใครไม่มีตัวเราเสมอใครทุกอย่างว่างเปล่ามีแต่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าเป็นจักรวาลเดิม เนื้อเดียวกันไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาหารหันต์หรือว่าพระหรือว่าปุถุชนหรือว่าสัจจฉรชานทั้งหลายธรรมชาติของใจดั้งเดิมแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นของของใครเป็นความว่างเปล่าเสมอกันจึงไม่มีใครเหนือกว่ากันไม่มีใครต่ำกว่ากันไม่ัีสูงกว่ากันเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ว่างปาเปล่าเป็นอันเดียวกัน ของจั ก, กรวาลเดิมเป็นเนื้อเดียวกันถ้ายังมีสูงกว่าต่ํากว่ามีเสมอกันมันยังไม่ใช่เป็นความว่า ง, งจั ก, กรวาลเดิมมันจะมีการวัดระดับมีเลเวลได้คือเถ้าหลวงตาบอกว่าให้หนูวางหมดสิ่งอย่างเนี้ยค่ะหนูก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนะคลวงตาสิ่งอะไรมันเห็นไป <c oughs> เห็นอยู่ไงน้นได้ยินก็ได้ยินรู้ ก, ก็รู้อยู่อยงนั้นแหละแต่เราเปลี่ยนไปแค่นั้นเองคือ ไม่ไปเป็นไม่ไม่เป็นอะไรเพื่อตัวเราอีกต่อไปแต่การรู้กันเห็นมันก็ยิ่งมากแตกฉานกว้างขวามออกไปแต่การรู้กันเห็นเหล่านั้นเนีมันไม่มีเราก็ไม่มีส่วนได้เสียไม่เป็นเราอีกต่อไปคือมันเหมือนงานกิจที่ต้องทําอ่ะสําหรับเพื่อตัวเรามันจบหมดไม่มีการไปทํากิจอะไรเพื่อตัวเราแต่การรู้กันเห็นเนี่ย มันก็ยังเป็นของมันบางที่จะยิ่งเป็นมากขึ้นอีกเพราะเราไม่มีกิเลสเข้าไปปนไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียพอสิ้นตัวเราก็มีส่วนได้เสียเนี่ยอันนีน้ความรู้ความเห็นเนี่ยไม่มีขีดจํากัดแหละอันตอนเรายังมีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียความรู้ความเห็นมันไม่มีขีดจํากัดเพราะว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสเปรียบเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งท่านเห็นแก้แวแหวนเงินทอง ทองคำสมบัติปุทธสถานเต็มถ้าเลยสูงเท่าภูเขาแล้วท่านประานผูดหลักษาว่าโอ้ยสมบัติพุทธถานแก้แหวนเงินทองเต็มถ้ำอย่างเนี้ยเขาไม่เอาไ ป, ไปหมดแล้วเนี่ยผู้ที่เฝ้านั้นบอกว่านอกจากท่านเท่านั้นที่เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นท่านเลยถามว่าเอา้าวทาไมคนอื่นเขาไม่เห็นแล้วทําไมท่านเห็นท่านเห็นเพราะว่า ท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านจะเห็แต่คนที่มีกิเลสยังมีกิเลสอยู่จะมองไม่เห็นอันคนที่สิ้นกิเลสก็คือสิ้นความมีตัวตนสิ้นความที่มีตัวเราก็ไปมีเสือนในเสียในใดๆทั้งหมดแล้วไม่มีตัวเราแล้วมีแต่สภ า, าวธรรมมีแต่สภาวธรรมที่เป็นไปแต่ตัวเราไม่มีก็สิ้นกิเลสไปเพราะไม่มีตัวเราไปยึดอะไรก็สิ้นกิเลส ไม่มีตัวเราเพราะมีตัวนี้เสียครับสิ้นตัวเรากพรสิ่งกิเลสพอสิ้นกิเลสแล้วความรู้ความเห็นเน่ยสิ่งใดที่คนมีกิเลสไม่เห็นแต่ผู้สิ่งกิเลสสมควรจะเห็นเห็นได้หมดจึงกว้างขวางออกไปไม่มีที่สุดได้มาแต่มันสิ้นการเห็นเพื่อเราจะมาทําอะไรเราจะมาเป็นอะไรคือกิจที่ต้องทําเพื่อตนเองจบหมดแล้วไม่มีไม่มีกิจที่ต้องทําเพื่อตนเอง ไม่มีการไปขวนขวายอะไรเพื่อตัวเองไม่มีการไปรู้ไปต้องามเข้าใจอะไรมาเพื่อตัวเองไม่มีตัวเองมาเปรียบเทียบกับอะไรอีกทุกอย่างมันจบหมดแล้วต้นแนลงพอไม่มีตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียกับอะไรไม่มีตัวเองเข้าไปคิดอะไรมันก็สิ้นกิเลสเพราะสิ่นกิเลสแล้วสิ่งใดที่พวกมีกิเลสไม่เห็นแต่พวกไม่มีกิเลสเห็นหมดเลยันแต่สิ่งที่จะรู้จะเห็นนี่ย อีกมาก ม, มายมหาศาลแต่มันก็ไม่มีความหมายต่อใจก็ได้แต่รู้แต่เห็นแค่นั้นเองแล้วก็พวกที่เฝ้าอะาก็วาบอกว่าท่านอยากจะได้เท่าไหร่เอาไปเลยเขาอยากจะให้อ้อนวอนนี่อ้ อ, อนวอนอยากจะให้อยากจะให้ช่วยเอามาสร้างวัดให้หน่อยเขาจะได้หมดภาระ <c oughs> เขาอยากจะไปเกิดแล้วช่วยเอามาสร้างวัดให้หน่อยอ้อนวอนเลยนะวะ ตั้ลายคนมีกิเลสกลับไม่เห็นแต่คนไม่กิเลสเห็นแล้วก็อยากได้แต่เขก็อ้อนบอนอยากให้ท่านเอามาสร้างวัดให้หน่อยเขาจะได้ไปเกิดช่วสร้างวัดให้เ้าหน่อยแต่ท่านก็ไม่เอาอ้อนบอลร้องโหยงแล้งให้ก็ไม่เอาท่านว่ามันเป็นภาละท่านไม่มีกิเลสแล้วแต่ท่านไปรับเอามาสร้างข้ามันเป็นภาละมันเป็นภาละท่านไม่อยากจะเป็นภาละท่านก็ไม่เอา ก็ลองผม่ร้องไห้กันอันที่บอกว่าเราจะยังบอกปล่อยวางหมดทําไมเรายังรู้ยังเห็นนู่นี่อีกอ๋ยิ่งปล่อยวางยิงรู้ยิ่งเห็นไม่หมดแต่สิ่งที่คนมีกิเลสไม่รู้ไม่เห็นความรู้ความเห็นจะมีมากเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมแต่มันมีมากไปก็มากไปแก่นั้นแนะแต่ไม่มีมากเพื่อเอาไปเป็นอะไรหรอกมันแต่มันก็เป็นความรู้ที่ความเห็นที่พวกสิ้นกินเลสเขาเขาควรจะรู้จะเห็น ตบุญวาสนาบา ร, รมีด้วยที่ก็ทํามาแล้วมากมายจะไม่มีเราก็้าไปมีส่วนให้เสียอะไรนะจบปดแล้วตัวเราไม่มีกลับมาเป็นคนธรรดาธรรมดาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะไรไม่ได้เป็นผู้รู้เห็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไร ไม่ได้เป็นผู้ฝึกจิตไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นคนธรรมดาธรรมดา